อีกครั้งหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งอีกชาติหนึ่งเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าสีวิราชในการเมื่อเราเป็นกษัตริย์พระนาม ว, ว่าศีวิอยู่ในพระนครอันมีนามว่าอริ t ะเรานั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐได้มีความคิดอย่างนี้ว่าทานที่มนุษย์พึงให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ให้แล้วไม่มีเรียกว่าของข้าวของที่อยางทุกอย่างนะ ที่เขาให้ให้กันเนี่ยที่เราไม่เคยให้ไม่มีเลยแต่ว่าอยากจะให้ทานภายในผู้ใดพึงขอจักสุกเราขอตาเราเนี่ยนะเราก็ไม่พึง เ, เราก็พึงให้เราจะไม่หวั่นไหวในจิตใจเลยเรียกว่าตาเราก็ให้ได้เท้าสะกะผู้เป็นใหญ่กว่าทวยเทพทรงทราบความคิดของเราแล้วประทับนั่งในเทพบริษัทได้ตรัสพระดำรดนี้ว่า พระเจ้าสิวิผู้มีฤทธิ์มากประทับนั่งในปราศาสตร์อันประเสริฐพระองค์ทรงนำฤทธิ์ถึงทานต่างๆไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังไม่ ไ, มได้ให้ข้อนั้นจะเป็นจริงหรือไม่หนอจะลองใจดูสิท่านเราจะไปทดลองดูว่าจะให้อะให้จริงหรือเปล่าท่านทั้งหลายพึงคอยดูอยู่สักครู่หนึ่งเราจะรู้น้ําใจของพระเจ้าสิวิเท่านั้นนะนะก็ได้ว่าจะให้เทวดาคอยดูจะลองใจว่าจะให้จริงหรือเปล่า เท้าสากาก็แปลงเป็นพรามแปลงเพศเป็นพรามเป็นคนตาบอดมีกายสันนีกายสันผมงอกหนังย่นหนังย่อนนะนะกระสับกระสายเพราะชราเข้าไปเฝ้าพระราชาในการนั้นอินทรพรามนั้นนะนะประคองแขนทั้งสองประแคนแขนทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาประนมอัญเชลีไว้เนื้อเสียนแปลว่ายกมือไหว้ท่มหัวแบบนั้นได้กล่าวคํานี้ว่า ข้าแต่พระมหาราชาผู้ทรงธรรมพระองค์ในศพพระองค์ทรงปกครองรัฐให้เจริญข้าพระองค์เนี่ยจะขอกะพระองค์เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์เนี่ยฟุ้งไปแล้วในเทวดาและมนุษย์ทีจริง น, นะบอกว่าโอ้พระองค์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงเหล่าเทวดานะว่าพระองค์เนี่ยเป็นนักให้เพราะฉะนั้นหน่วยกรวัดดวงตาทั้งสองของข้าพระองค์บอดเสียแล้ว ขอพระองค์พระราชทานดวงตาทักข้างหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแม้พระองค์ก็จะทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งใช้คนละข้างดีกว่าข้าพระองค์ตาบอดพระองค์ใช้ข้างหนึ่งข้าพระองค์ขอใช้ข้างหนึ่งเถอดนั่นแหละแหมฟังแล้วนะถ้เป็นขออะไรนะคนระดับล่างๆเขายังช่วยเนี่ยมหากษัตริย์เนี่ยนะเรียกว่ายิ่งว่ากษัตริย์ระดับทรงอะไรนะถ้าโกรธใครแล้วสั่งประหารชีวิตได้ อำนาจขนาดนั้นนะแต่ว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์เป็นยังไงเราได้ฟังคำของพราหมณ์แก่นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจดีใจที่ที่จะได้ให้แต่สลดใจว่าทำไมเมื่อก่อนไม่เคยคิดอย่างนี้ก็เลยประคองอัญชลียกมือทั่วหัวยกมือพนมมือเลยนะปีติและปราโมทเป็นอันมากได้เกิดขึ้นเราได้กล่าวคานี้ว่าเราคิดแล้วลงจากปราศาสตรมาถึงในที่นี้ณนะบัดนี้เอง ท่านนี่รู้จิตของเรามาขอดวงตาของเราโอ้ความปรารถนาของเราสําเร็จแล้วความคิดของเราบริบูรณ์แล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่เราไม่เคยให้แก่ยาจกมันผู้มาขอเราจะให้ของที่เรารักที่สุดในโลกของการดูเนี่ยนะดวงตาเนี่ยเป็นที่ทะนุถนอมที่สุดเราจะให้สิ่งประเสริฐนี้ก็เลยเรียกหมอว่ามานี่แนะ่หมอศิวิกะ จงขมีขมันอย่าชักช้าอย่าครั่นคล้ามจงควักดวงตาทั้งสองของอทั้งสองข้างออกให้แก่วันนี้พกนี้เดี๋ยวนี้หมอสีวิกาณนั้นเราเตือนแล้วเชื่อฟังคําของเราได้ควักในตาทั้งสองออกเมื่อะไรเหมือนดุดจาวตาเน่ยนะควักดวงตาให้ออกให้แกยาจบทันทีเมื่อเราจะให้ก็ดีปุพหเจตนา เมื่อเรากำลังให้ก็ดีมุญจนะเจตนาให้เสร็จแล้วก็ดีอประเจตนาจิตของเราไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณ น, นั่นเองจักรสุทั้งสองของเราเราจะเกลียดชังก็หาไม่ได้แม้ตนของเราร่างกายของเราชีวิตของเราเราก็ไม่ได้เกลียดชังแต่พระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้จักสุชนี้แล เพราะว่าการให้จักูุนั้นเป็นเหตุให้ได้สัมโพธิญาณจึงได้สัพพัญยุตยานอย่าเลยนนะว่าคำสอนที่เราเรียนมาเนี่ยพระองค์ควักดวงตาให้มานะจึงได้มาบอกบางคนนะเขบอกโอยเลือดของบางคนล้างบาปให้ผู้อื่นได้นี่อย่าว่าแต่เลือดเลยดวงตาทั้งคู่ทั้งอะไรนะบารมีที่พระองค์ให้ให้ทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำก็เพื่อบุญของเอ่อเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลาย มันผู้ใดที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์มาเพื่อเราเท่านี้แล้วยังปล่อยโอกาสในการศึกษาการปฏิบัติธรรมให้ผ่านไปคนเหล่านั้นจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าพ่อแม่บางคนห า, าทรัพย์เลือดตาแทบเลือดตาแทบกระเด็นมาเพื่อจะให้ลูกลูกก็อะไรนะฆ่าตัวตายทิ้งจากสมบัติเลยแนั้นน่าสงสารน่าเสียดายขนาดไหนนะนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราปล่อยโอกาสในการศึกษาพระธรรมให้ผ่านไป เราเนี่ยน่าสงสารที่สุดเนี่ยนะไม่เก็บอาริยทัพย์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บําเพ็ญมาขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ประสบความสําเร็จแล้วพระองค์สร้างเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างเหตุเหล่านั้นจนสําเร็จพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือสัตว์อื่นจนสําเร็จเหล่านั้นแล้วดูซิว่าเราจะช่วยเราให้ได้นับถือศึกษาปฏิบัติคําสอนของพระองค์ขนาดไหนเราจะแบ่งอริยทัพย์จาก พระพุทธเจ้าแค่ไหนเนี่ยนะหรือว่าเราไม่สงสารตัวเองโอ้ยไม่สงสารตัวเองไม่ภาคเพียงขนาดนี้หรอก่างเง้นะนี่ก็เพราะสงสารตัวเองคนในโลกเนี่ยนะถ้ารู้จักเจริญพรห ม, มิหารให้แก่ตัวเองบ้างเนี่ยนะขามาว่าไม่เสื่อมกันขนาดนี้หรอกของเราเนี่ยนะเมตตาอย่างถ้ามีเมตตาแก่ตัวเองก็คือน้อมนาประโยชน์มาให้แก่ตัวเองตรงเงนข้ามทำอะไรบ้าง อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเอาออกไปหมดเลยอันนี้ก็ากขาดเมตตาแต่ตัวเองใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยควรนําออกจากตัวใช่ไหมแต่นี่ไม่ทับถมความทุกข์ให้ทุกข์ยิ่งขึ้นไปตัวเองทําดีบ้างกว่ามันไแค่นั้นแหละระวังกันนะไม่เคยมืดทิตาอะไรตัวเองเลยไอ้แค่นั้นแหละระวังกันเสร็จแล้วก็ไม่รู้ทางบุญทางบาปไม่รู้ทางดีทางชั่วไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําคือตัวเองเป็นผู้รับเป็นต้นก็เนื่องจากขาดพรหมวิหารต่อตัวเอง เนะมื่อขาดพรหมวิหารต่อตัวเองเท่าใดก็จะขาดพรหมวิหารต่อผู้อื่นเท่านั้นแล้วยิ่งกว่านั้นด้วยเพราะผู้ที่เบียดเบียนตนก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ที่มีพรหมมิหารมีใจเมตตาน้อมนําประโยชน์มาให้แก่ตนก็จักน้อมนําประโยชน์ไปให้แก่ผู้อื่นตัวเองมุ่งบําบัดทุกข์ให้พ้นไปก็ปรารถนาจะบําบัดทุกข์ให้แก่ ผู้อื่นเนี่ยนะตัวเองประสงค์ความเจริญดีใจที่ตัวเองได้ประสบความเจริญก็ปรารถนาจะให้ผู้อื่นประสบความเจริญยิ่งๆขึ้นไปตัวเองเป็นผู้ไปตามกรรมหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมถ้าใครที่ดำรงมั่นอยู่ในพรหมวิหารโลกนี้คงจะสงบร่มเย็นอย่างน้อยที่สุดโลกกายาวานาคึอกวก็สงบร่มเย็นกว่าโลกอื่นๆก่อนเนนะ เพราะว่าขันห้าคนละหขันก็ถือว่าคนละโลกคนละโลกก็แบกกันไปอย่างน้อยโลกอันนี้ก็คงจะสงบร่มเย็นบ้างน่ยนะพูดถึงพระเจ้าสีวิราชเนี่ยนะพระองค์นี้มีเรื่องราวมีอยู่ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าสีวิราชครองราชสมบัติอยู่ในอริฏฐปุระนครแคว้นสีพีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เราก็อุบัติในอุบัติเป็นโอรสของพระเจ้าสีวิราช คือเป็นชื่อของแควนน่ะนะสิวิตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของแควนนันผู้ใดที่เป็นพระราชาของแควนนี้จะเรียกว่าสิวิราชทั้งหมดพระโพธิสัตว์นั้นมีชื่อว่าสิวิกูมานก็คือลูกของชาวสิวิอนพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยก็เสด็จไปยังตักกศิลาเล่าเรียนศิละปะสำเร็จแล้วก็กลับมาแสดงศิละปะแก่พระราชบิดาพอพระพราชบิดาพอพระทัยก็แต่งตั้งให้เป็น อุปราชพระองค์ก็ดํารงตําแหน่งอุปราชต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ก็ได้อภิเสกเป็นพระราชาเป็นพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในอัคติคือเป็นคนที่ไม่อยู่ในความคดอันนอคติก็คือความคดเนี่ยนะไปไม่ดีไปไม่ตรงก็คือความคดเรียกว่าลําเอียงนะครับลเอียงก็คือความคดคดเพราะความชอบความชังความโง่เคลาความกลัว เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจอาคติเป็นผู้ที่มีปัญญานำรงพระองค์มั่นอยู่ในราชธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมโปร่งสร้างโรงทานหแห่งที่ไหนบ้างประตูแห่งพระนครสี่แห่งท่ามกลางพระนครอีกหนึ่งแห่งที่ประตูพระราชนิเวศอีกหนึ่งแห่งบริจาคมหาทานวันละหกแสนทุกวันนนะถ้าเป็นวัน8ปดคา นนะถ้าเดือนขาดก็14คสี่ค่ถ้าวันเพนก็15คห้าพระองค์ก็เสด็จไปยังโรงทานด้วยพระองค์เองตรวจตราโรงทา น, นนะแปลว่า8วันหนึ่งครั้งทุก8วันนี้จะต้องตรวจโรงทานอยู่คราวหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งในวัน15คห้าแต่เช้าตรูก่ก็คือพระองค์ได้ตื่นมาแต่เช้าตรูก่ก็คือตื่นตีสี่ตีหเป็นต้นนะพระองค์ก็ประทับนั่งบนพระราชบาลังภายใต้พระสเสวตฉัตรที่ยกขึ้น พระองค์ก็มาคิดว่าทานภายนอกของเราเนี่ยไม่ยั่งจิตของเราให้ยินดีเหมือนทานในภายในเลยของที่เราให้ไปถึงจะให้เยอะให้มากก็ยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆให้ไปขนาดไหนก็ยังไม่รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหมือนว่าตัวเองยังไม่ได้ให้เคยไม่ดื่มอะไรแล้วกระหายยิ่งดื่มยิ่งกระหายดื่มไปตั้งมากมายแล้วก็ยังกระหายอยู่นั่นแหละนี่ก็เหมือนกันพระองค์เนี่ยเป็นพระ เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้การให้ของพระองค์ถึงจะให้มากมายขนาดนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่ายังยังพร่องยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยยังไม่ปีติและปราโมชจากการให้เนี่ยนะแปลง่า ย, ายๆว่าถมใจยังไงก็ยังไม่พอให้ไปขนาดนี้แล้วก็ยังถมใจไม่พอพระองค์ก็คิดว่าเราจะต้องให้ทานในภายในเพราะจะยังจิตใจของเราให้ยินดี ฉนันในเวลาที่เราไปในโรงทานขอให้มีผู้ขอวางันผู้ขอก็ไม่ต้องขอวัตถุภายนอกแต่ขอให้ขอแต่วัตถุภายในนะอย่าขอทรัพยภายนอกเลยขออวัยวะภายในเถอะอธิบายว่าถ้าหากว่าใครใครพึงขอเนื้อหรือขอเลือดในร่างกายของเราก็ขอให้เขาขอศีรษะหรือขอเนื้อหัวใจขอดวงตา หรือร่างกายครึ่งหนึ่งหรือจะเอาร่างกายของเราไปเป็นทาสเราก็จะยังความประสงค์ของผู้ขอนั้นให้เต็มบริบูรณ์ทันทีเราสามารถจะให้ได้ถ้าเขาเขาขอเนื้อเราก็จะเอามีดมาแล่เนื้อให้ไปถ้าเขาขอเลือดเราจะกรีดเลือดของเราให้นะงั้นก็ไปให้ทานแก่กาชาติบ้างไปบริจาคเลือดบ้าง คุณหมอเขาไปช่วยสรีระร่างกายมาโมทนาด้วยถ้าผู้ใดอยากได้ศีสษะเราจะตัดหัวให้เหมือ น, นผู้ใดต้องการเนื้อหัวใจเราก็จะควักหัวใจผ่า อ, อกให้ให้หัวใจได้ถ้าใครขอดวงตาเราก็ควักดวงตาให้ไอ้สมัยนี้ไม่รู้คิดอะไรขึ้นมาก็บอกว่าถ้าเราตายไปแล้วนะถ้าให้แก้วตาไปเดี๋ยวชาติหน้าจะตาบอด ไม่รู้ได้มาจากไหนไม่ทราบแต่ถ้าไม่ให้นี่สิตาบอดเนี่ยเชื่ออยู่เนี่ยนะเพราะว่าห่วงแหนจนขนาดว่าตายไปแล้วก็ยังห่วงไปอีกเนี่ยนะเป็นผีห่วงแม้กระทั่งดวงตาหลังตายไปแล้วพวกนี้อนาคตชาติหน้าตาบอดแน่เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เกิดว่าตายไปแล้วยังห่วงศพขนาดนั้นก็เปอร์เซ็นต์ตาบอดนี่สูงเพราะอย่าไปจะนีแม้กระทั่งศพตัวเองเลยเนี่ยนะควักตาให้ทานมั่งดีให้ดีใจไปเถอะ การบริจาคตาเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้ตาบอดหรอกแต่เป็นเหตุให้ตาสว่างตาใสเนี่นะมันถ้าใครต้องการร่างกายครึ่งหนึ่งก็จะพาให้ไปครึ่งหนึ่งเลยแหละแต่ใครต้องการเอาชีวิตทั้งหมดไปเป็นธาตุกรรมกรก็จะให้ไปทั้งหมดเราก็ให้ได้พันบาลีก็กล่าวเฉพาะยกตัวอย่างเพียงดวงตานที่พระองค์ตรัสว่าเรานั่งอยู่บนปราศาสตรอันประเสริฐได้คิดอย่างนี้ว่า ทานที่มนุษย์พึงให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ให้แล้วไม่มีผู้ใดขอดวงตาของเราเราก็จะไม่พึงให้ไม่หวั่นใจเลยให้แน่นอนขอตาเราก็จะให้ตาใจของเราจะไม่หวั่นไหวใจของเราก็คงปกติตามเดิมปกติไม่หวั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่เฉยๆจืดชืดเดี๋ยนะปีติปราโมทนะบางคนเนี่ยไม่หวั่นไหวก็จริงแต่แหมๆมันจืดชืดแล้วเกินดนะแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้น อธิบายแบบว่าบทว่ามานุสังฐานังได้แก่ไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ําเป็นต้นเป็นทานที่มนุษย์ทั่วไปจะพึงให้แต่ว่าทานที่ให้นั้นเนี่ยนะข้าวของที่มนุษย์เขาให้กันเนี่ยไม่ยังใจของเราให้เอิบอิ่มเลยเมื่ออัธยาศัยในการให้อันกว้างขวางเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์อย่างนี้ปันดุกรรมพลศิลาอาจของเท้าส ก, กะก็แสดงอาการเร่าร้อน ท้าวส ก, ก่านั้นก็รำพึงถึงเหตุนั้นได้เห็นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าสิวิราชนิสงค์คิดอย่างนี้ว่าวันนี้หากมีผู้มาขอดวงตากับเราเราก็จะควักดวงตาให้เขาท้าวสกา ก, ก็ตรัสแก่เทพบริสัทธ์ว่าเราจะทดลองพระโพธิสัตว์ดูก่อนว่าสามารถจะให้ดวงตาจริงอย่างที่ตัวเองคิดในใจหรือไม่ วันนั้นพระโพธิสัตว์ก็สงสนรานด้วยน้ำหอมส6บหกมอนี่แหละหกมอก็แสดงว่าเขาก็คือ16ภาชนะนะก็คือตักอาบไม่มีฝักบัวแบบสมัยนี้มั้งเนาะพระองค์ก็ประดับประดาด้วยสับปะลังการประทับนั่งบนคอช้างพระที่นั่งตบแต่งที่ตบแต่งไว้เป็นอย่างดีพระองค์เสด็จไปถึงโรงคานวันนั้นเท้าสาก็แปลงเพศเป็นพรามตาบอดเป็นคนแก่งง่น เหยียดแขนทั้งสองที่เนินแห่งหนึ่งให้อยู่ในคลองจักสูก ข, ของพระโพธิสัตว์ก็เหยียดแขนจะต้องให้คนมองไอ้คนเห็นนะ่ะนะแล้วก็ยืนถวายพระพรด้วยใช้ให้พรถวายชั ย, ยมงคลก่อนให้พระราชาเนี่ยพระจำเริญเหมือนกนขอส่งพระเจริญน่ยนะพระองค์ใครเจริญกันแนะ่นีพระโพธิสัตว์ก็ชักช้างเนี่ยนะไปตรงหน้าพรามนั้นแล้วก็ตรัสถามว่าท่านพราม ท่านต้องการอะไรไอ้ที่ท่านมาอวยชัยให้พรกับข้าพเจ้าท่านต้องการอะไรนะก็เหมือนพ่อแม่ที่ฉลาดฉลาดนะเห็นลูกมาบีบมานวดมาประโล่ซะไหน่รู้แล้วว่าวันนี้เสียตังค์แน่เนี่ยนะจะเอาอะไรกันแน่นะั่นนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่มาอวยชัยให้พรเราเนี่ยท่านอยากได้อะไรท่านต้องการอะไรพราหม์ก็ทูลขอดวงตาข้างหนึ่งโดยตรัสว่าชาอะนะแต่ว่าวิธีขอเนี่ยคนขอเขาฉลาดขอ วิธีขอก็ต้องเอาอะไรมาค้ำคำคนรับก่อนนะนะว่าชาวโลกทั้งสิ้นแพร่สะบัดไปไม่ขาดสายด้วยการประกาศเกียรติคุณอันสูงส่งอัธยาศัยในการให้ทานของพระองค์ชมจริงๆเลยนะพระองค์นี่เป็นนักให้เป็นผู้มหาบริจาคนะผู้เสร็จจะเรียอะไรอะไรนาะนัะนะน ะ, น ะ, นะก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นคนตาบอดเพราะฉะนั้นจึงวิงวอนขอดวงตากับพระองค์ อธิบายเป็นคาถาว่าเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าทวยเทพทรงทราบความคิดของเราแล้วประทับนั่งในเทพบริษัทได้ตรัสพระดํารัสนี้ว่าพระเจ้าศิวิราชผู้มีฤทธิม์มากประทับนั่งในปราศาสตร์อันประเสริฐพระองค์ดำริถึงทานต่างๆไม่ทรงเห็นที่สิ่งไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ให้ข้อนั้นจะจริงหรือไม่นอ้อจริงหรือที่จะให้อะไรอะไรที่ให้ไม่ได้ไม่มีเนี่ย จริงหรือเปล่าช่างเถอะเราจะทดลองพระองค์ดูพวกท่านคอยอยู่สักครู่นะเดี๋ยวไปลองดูน้ำใจของพระเจ้าศีวิราชีจริงหรือเหมนกันเท้าสา ก, าก็แปลงเพศเป็นคนตาบอดมีกายสันผมงอกหนังหย่อนกระสับกระสายเพราะชราที่จริงคนแก่ตาบอดมันก็ถือว่าธรรมดาใช่ไหมแต่คนหนุ่มตาดีเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะนี่ตาบอดไปขอดวงต า, านะจะใช้ได้สักกี่วันเชียวเนะ น, น ก็เลยตาเป็นเป็นคนชาราตาบอดเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยการนั้นเท้าสาก่าก็ประคองแขนทั้งสองข้างปนมอัญชลีเนื้อเสียนแล้วก็ยกมือไหว้ท่วมหัวกล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชผู้ทรงธทรรมปกครองรัฐให้เจริญนนะก็รู้นะว่าตำแหน่งตาแหน่งอะไรเป็นใหญ่ขนาดไหนนะเป็นราชกิจของพระองค์ทำอะไรบ้างรู้ไปหมดนะน แต่ว่าข้าพระองค์จะขอพระองค์ผู้มีเกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์เกียรติคุณยินดีในทานของพระองค์นี้ขจรไปในหมู่เทวดาและมนุษย์บอกความประสงค์ที่เป็นจริงบอกดวงตาทั้งสองของข้าพระองค์นี้บอดแล้วบอดแล้วมาขอได้ยังไงนะมร่รูเดินทางมาได้ยังไงนะ เราบดดวงตาบัดนี้บอดแล้วขอพระองค์เนี่ยทรงพระราชทานดวงตาข้างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแม้พระองค์ก็อย่าทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งใช้คนละข้า ง, ถงเถ อ, อ, อดเนาะเหมือนกันบทว่าจินเตนโตวิธิตังทา น, นังเหมือนกันดำริ ถ, ถึงทาน น, นะนะคือก็บอกว่าอะเทยังโซณปัสสติเนี่ยนะที่บอกไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทรงให้ คือไม่ได้ทรงเห็นแม้วัตถุภายในที่ยังไม่ได้ทรงให้คือที่ไม่สามารถให้ได้เหมือนวัตถุภายนอกนึกไปเนืกมามีอะไรบ้างนะเถิดท่านสำรวจในกายของท่านนะว่ามีอะไรบ้างที่เราให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าแม้ดวงตาเราก็จะควักให้ไล่ดูเถอะไล่ดูในร่างกายมีอะไรบ้างให้ไม่ได้ ห, หัวงแหนธนุถนอมเหลือเกินให้ได้หมดเลยก็บอกอะไรก็ให้ได้หมดนะงงนะเหนนอธิบายคาว่า แต่ถังนุวัิตังเนตังพระอินทคิดว่าจริงหรือไม่นอเนี่ยนะที่บอกว่าไม่เห็นแม้วัตถุภายในที่สิ่งที่ยังไม่ได้ให้ความเห็นของพระราชาความคิดของพระราชาบอกว่ามันให้ได้หมดเนี่ยจริงหรือเนี่ยนะท้าวสะกาะก็ลอง คำขอของเขาแสดงว่าพระองค์เห็นสิ่งที่เสมอและไม่เสมอด้วยดวงตาข้างหนึ่งก็ยังอัตภาพของพระองค์ให้เป็นไปได้แม้ข่าพระองค์ก็จะยังจะอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งที่ได้จากพระองค์ผู้เจริญ น, นะก็คือจริงๆก็บอกว่าพระองค์หนะ้าตาข้างเดียวพระองค์ก็มองเห็นได้แล้วข่าพระองค์นี่บอดสองข้างเขาแบ่งมาข้างหนึ่งเถอะจะได้แบ่งๆกันเห็นบ้างซิอย่างนั้น พระโพธิสัตว์พอฟังอย่างนั้นก็ดีพระไถยดีใจมากเกิดปิติอย่า น, นีเกิดกําลังใจอย่างว่าเรานี้ประทับนั่งบนปราสาสตร์อย่างนี้มาเดี๋ยวนี้นี่เองพรามนี้ผู้ขอดวงตาเหมือนรู้ใจเราเป็นลาบของเราเสียจริงหนาเราได้ดีแล้วนอเน้นวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดเห็นนะว่าคนที่เขาให้ทานเขาปรารถนาที่จะให้มาก่อน ไม่ใช่อยู่ๆแล้วใช้ปฏิพานไหวพริบให้ได้ปิ๊งเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายเขามาเขาตั้งใจไว้แล้วสมาทานไว้ที่จะให้ตั้งใจที่จะให้ปรารคที่จะให้น้อมไปเพื่อจะให้เพราะฉะนั้นเราจะให้ฐานที่เราไม่เคยให้ภาษาสดาประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าเราได้ฟังคำของพราหมณ์นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจประคองแขนทั้งสองมีปีติและปราโมทได้กล่าวคานี้ว่า เราคิดจะให้แล้วก็ลงจากปราศาสตร์มาถึงที่นี่บัดนี้เองท่านรู้จิตของเราแล้วมาขอดวงตาของเราโอ้ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วความคิดของเราถึงความบริบูรณ์แล้วการวัดสมความปรารถนาวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่เราไม่เคยให้แก่ยาจกก่อนหน้านี้ให้แต่แก้วแวน้นเงินทองข้าวของเครื่องใช้แต่วันนี้จะให้ดวงตาเป็นทาน คำว่าหัดโถก็คือดีใจมากนะที่เขามาขอแต่ก็บอกว่าสังวิคมานาโสสลดใจว่าพรามนี้ขอดวงตาเราเหมือนรู้ใจเราที่บอกว่าสลดใจเนี่ยทำไมเนาเราไม่คิดอย่างนี้มาตลอดการเพียงนี้เมื่อก่อนเราไปคิดอะไรอยู่ทำไมเราไม่คิดจะให้แบบนี้บ้างเรานี่แหมมัวแต่ประมาทเนาะที่ประมาทก็เพราะไม่เคยคิดจะให้ แล้วก็เกิดปีติและปราโมทเ อ, อิบอิ่มในใจดีใจว่าความตั้งใจความปรารถนาของเราก็สําเร็จแล้วเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้ะนะเะนั้นความคิดก็มีแต่ให้จะให้อะไรได้บ้างมองหาอะไรมองหาของที่จะให้อะไรให้ได้บ้างก็คือเกิดอัธยาศัยในการให้ว่าเราจะให้ดวงตาสังกัปโปความปรารถนาปริปูริโตบริบูรณ์แล้ว ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าพรามนี้ของขอดวงตาแม้ใครๆก็ให้ได้ยากก ะ, ะมาขอสิ่งที่ข อ, อสิ่งที่ให้ได้ยากแก่เราเหมือนรู้ใจของเราน่ากลัวจะมีเทวดาคนหนึ่งแนะนำมาหรืออย่างไรจะทามดูก่อนนะในชาดกในชาดกก่อนจะให้ น, นะชาดกเมียอธิบายว่าดูก่อนมานะวันนิพก ใครเนีให้ท่านมาในที่นี้เพื่อขอดวงตาท่านขอดวงตาอันเป็นอวัยวะที่สําคัญที่คนเนี่ยสละได้ยากใครนะมาเท้าส ก, ก่าก็ตอบว่าในเทวโลกเขาเรียกว่าสุชัมบดีสุชัมบดีก็คือสามีนางสุชดานะอยู่ในมนุษยโลกเขาเรียกว่าเท้ามขวาข่าพระเจ้าเป็นวันิพกเท้ามขวาสามีของนางสุชัมบดีแนะนํามาณที่นี้เพื่อมาขอดวงตา ข้าพเจ้าขอดวงตาของท่านขอท่านจงให้สิ่งที่ขอที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเนี่ยนะดวงตานี้เนี่ยไม่มีอะไรยิ่งกว่าแล้วแกข้าพเจ้าผู้ขอเถอะโปรดให้เถอะว่าไงขอท่านจงให้ดวงตาที่คนให้สละได้ยากแก่ข้าพเจ้าเถอะแหมใครจะไปสละให้ง่ายๆเนี่ยนะเอาอะไรมาปิดตาหน่อยก็ยังโกรธแล้วควักตาให้จะขนาดไหนพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ ท่านมาปรารถนาประโยชน์อันใดคือท่านมีความปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ท่านเถิดขอท่านจง เ, าเอาขอท่านจงเอาดวงตาให้ไปเถิดเอาไปหม่ ง, งั้นเอาไปได้เลยเมื่อท่านขอดวงตาข้างหนึ่งเราจะให้สองข้างขอท่านจงเป็นผู้มีดวงตาเพ่งดูชนเถิด ขอให้ท่านมีดวงตามองเห็นสิ่งที่ราบเรียบสิ่งที่เสมอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเห็นสูงเห็นต่ำเห็นดำเห็นขาวจะได้มีมีอะไรได้เห็นได้ท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านเถอะนี่นะมันท่านผู้มาขอดวงตาแก่เราเราก็จะให้ท่านพระราชาตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าพรามพรามนี้เท้าส ก, กัแนมาหาเราในที่นี้ เพราะว่าท้าวส ก, ก่าทราบวา่าดวงตาจากสําเร็จบริบูรณ์แก่พราหมณ์นี้ด้วยอุบายนี้แน่ก็คิดว่าเราจะไม่ควักดวงตาให้ที่ตรงนี้เลยหรอกก็เลยพาพรามณ์เข้าไปในภายในพระนครนั่งบนพระราชอาณาตัดเรียกหมอหมอศิวกะมาว่าลําดับนั้น น, น, นะคือคือบอกว่าจะให้ดวงตากลางทางใช่ไหมมหาชนก็ได้ยินข่าวเพราะฉะนั้นก็เกิดเออ ก, กริกโกลาหลนทั่วพระนครว่า พระราชาของพวกเรามีพระประสงค์จกควักดวงพระเนตรให้แก่พราหมณพวกราชพันลบคนใกล้ชิดพระราชาทั้งหมดพระญาติทั้งหมดเสนาบดีเป็นต้นแม้กระทั่งเหล่าอํามาตะบริษัทชาวพระนคร น, นางสนมทั้งหมดก็มาประชุมกันประชุมมนุโมทนาใช่ไหมตรงกันข้ามทูลห้ามพระราชาโดยในต่างๆะที่ไหนได้นี่ก็จะมานุโมทนานะมาห้าม แม้พระราชาก็ไม่ได้คล้อยตามบุคคลเหล่านั้นทีนี้วิธีห้ามของเขาเนี่ยเขามีเทคนิคการห้ามนะห้ามว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยอย่าทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งปวงเสียเลยข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์จะให้ทรัพย์เออข้ไป ข้าพระองค์จะให้ทรัพย์คือแก้วมุกดากแก้วไพลทูลที่มีอยู่มากมายข้าแต่พระองค์ขอจงพระราชทานรถเทียมด้วยม้าอาชาใยที่ประดับแล้วข้าแต่มหาราชขอจงพระราชทานช้งางนอะันช้างทรงเครื่องนุ่งห่มที่ทําด้วยทองเรียกว่าช้างหุ้มทองว่ากัน้นข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในราชสมบัติของชาวศรีพีทั้งปวงพ ร, พร้อมด้วยยวดยานพร้อมด้วยรถ ยังแวดล้อมพระองค์อยู่โดยรอบทุกเมื่อขอพระองค์จงพระราชทานอย่างอื่นเถิดพระราชาก็ตรัสตอบตอบคนที่ห้ามว่าผู้ใดแลกล่าวว่าจกให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเหมือนสวมบ่วงที่ตกลงไปบนแผ่นดินเอาไว้ที่คอเห็นบ่วงที่ตกไว้ในคอกเอ็เห็นบ่วงที่วางอยู่กับพื้นก็เอามาสวมคอแขวนคอนะเห็นบ่วงอยู่ข้างล่างก็เอามาแขวนคอตายทําไมวะเงิน ผู้ใดกล่าวว่าจกให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นคนลามกยิ่งกว่าคนลามกเรียกว่าคนบาปยิ่งกว่าคนบาปจะตกนรกในสำนักพญายมเมื่อเขาขอสิ่งใดเราก็ต้องให้สิ่งนั้นควรจะให้สิ่งนั้นเมื่อเขาไม่ขอสิ่งใดไปให้สิ่งนั้นทำไมก็ไม่ควรจะให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้ในสิ่งที่พรามเขาขออธิบายเหล่านั้นแบทบว่ามา n o สั p h ปการิเนี่ยนะพระองค์อย่าทอดทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งหมดเลยที่เขาพูดอย่างนี้นี่ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะพวกอํามาศเป็นต้นเขาพูดประสงค์ว่าเมื่อพระองค์พระราชทานดวงพระเนตรแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถครองราชสมบัติถูกปลดจากพระราชาแน่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ดวงตาไปเลยถ้าให้ดวงตาพระองค์ก็หมดหมดอํานาจแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้ดวงตาไปเลยขอพระองค์จงพระราชทานอย่างอื่นเถิดโดยที่ชาวสีพีเนี่ยยังเวดล้อม ผู้พระองค์ผู้มีพระเนตรไม่วิกลมานานขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์อย่างเดียวเถิดอย่าพระราชทานดวงตาไปเลยคือแสดงว่าเมื่อพระองค์พระราชทานดวงตาแล้วประชาชนก็จะไม่แวดล้อมพระองค์อีกต่อไปนนะเขาจะเลิกนับถือเขาจะปลดพระองค์แล้วนะพระองค์ก็ตอบเลยตอบว่าไงตอบชัดเจนเลยใช่ไผู้ใดบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับสมบ่วง ที่ดินเนี่ยนะเอาบ่วงในดินเนี่ยแหละมาสวมใส่คอเหางอนันเป็นคนผู้ใดบอกว่าจะให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นคนลามกยิ่งกว่าคนลามกจะตกนรกในสำนักพญายมเหมือนเรียกว่าแช่งตัวเองเบ็ดเสร็จหมดเรียกว่าเปิดอะไรนะปิดทางที่จะไม่ให้โดยประการทั้งปวงสรุปว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องให้ บทว่าปาปาตโรโหติความว่าเป็นผู้ลาหมกยิ่งกว่าคนลามกบทว่าสัมปัตโตยมะสาธะนังผู้นั้นชื่อว่าตกอุตสทนรกเป็นที่ที่พยายมบังคับบัญชาบทว่ายันหิยาเจคือพระโพธิสัตว์ตรัสว่าผู้ใดขอสิ่งใดแม้ผู้ให้ก็ควรจะให้สิ่งนั้นไม่ให้สิ่งที่เขาไม่ขอพราหมณนี่มาขอดวงตากับเราไม่ได้ขอทรัพย์มีแก้วมุกดาเป็นต้น เราจะให้สิ่งที่พราหมณ์ขอชนทั้งหลายก็ทูลถามพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงปรารถนาอะไรในอุบายเป็นต้นจึงพระราชทานดวงตาต้องการอะไรกันแน่ทําไมจึงให้ดวงตาพระมหาบุรุษก็ตอบว่าเราไม่ได้ให้เพราะปรารถนาสมบัติในปัจจุบันชาตินี้หรือไม่ได้ให้เพราะชาติหน้าที่แท้ การให้เนี่ยนะเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเก่าแก่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายประพฤติสะสมกันมาคืออะไรก็คือการบำเพ็ญทานบารมี